ยังไงได้ทำกัละดูเนนการณ์ทั้งนะนั้นาไม่นั่ง ไ, หนหนไปอย่างเราไม่มม น, นั่งอย่างนี้อนนั้นนะอ่ะอันตรงนั้น ก, ก็จ ม, มัคนเก่าๆ เ, เป็นยังไงมัางกับกันละนะทไมแต่ละคนบอก ดีเป่ากลับไปแล้วดีขึ้นทำไมทุกคนไม่ไม่มีใครอกว่กลับไปแล้วแย่ลงหรือโกดตัวธรรมาว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันจะดีขึ้นหรือมันแย่ลงในเรื่องธรนมดายังไม่ต้องไปเจออาจารย์แต่ละทีต้องบอกทันทีขึ้นนะเจออาจารย์ไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าไปพูดเพื่อเพื่อเอาใจฟุ้งเอาใจคี้เอาใจความจริง ต้องพูดเพื่อเาใจความจริงจ er no e. ิตเราจึงจะได้กล like ้าที่จะเรียนรู้ความจริงเนี่ยในการลับจิตเราจะเรียนรู้แต่มายาหลอกตัวเองได้หลอกคนอื่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฉันก็เลยไม่ได้เรียนรู้ความจริงถ้าเรียนรู้ความจริงมันกไม่ดีคือไม่ดีใช่ไหมดีก็คือดีแต่ทุกอย่างนก็ดีมันก็คือดีข้างนั่นแหละไม่ดีคือไม่ดีข้งมันั่นแหละของมันนั่นแหละ ของมันนั่นแหละเข้าใจว่าของมันนั่นแหละไหมของมันนั่นแหละไม่ใช่ของเรานั่นแหละมีสองคนะของมันนั่นแหละไม่ใช่ของเราแต่เราชอบไปเอาของมันนั่นแหละมาเป็นของเราท่านแหละเข้าใจไหมคำนี้มันดีมันก็ดีของมันนั่นแหละมันแย่มันก็แย่ของมันนั่นแหละ แต่เราไม่เข้าใจเนะี่ยเราชอบไปเอาดีของของเราเนี่ยแหละไม่ดีก็ของเรามั้งแหละอ่าทุกอย่างจริงๆนเนี่ยคือคือสภาพสภาวะธรรมของมันนั่นแหละที่มันมีเหตุปัใจจัยเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะความมันจะโกรธมันก็มีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาที่เราเคยคุยกันใช่ไหมเป็นคือเป็นนะไก่ก็คือไก่นะนเรื่องกันได้ยัง อย่าไปพยายามทําให้มันไก่เป็นเราเป็นเป็นเราหรือจะพยายามไปจัดแปงเป็นเป็นเป็ดไก่เป็นไก่จะไปเอาเป็ดมาให้เป็นไก่เอาไก่ให้เป็นเป็ดใช่ป่าวหมอเป็ดคือถ้าเราเข้าใจจริงๆริเราถ้าเราเข้าใจในการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายนี่คือธรรมชาติธรรมชาติมันจะเป็นธรรมชาติเพรของกู่ มันก็เป็นอย่างนี้ไนงะใช่ไหมและในในตัวธรรมชาติของของคู่เนี่ยเราก็จะมีธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนกันทุกสิ่งเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับมีความแตกต่างในตัวแต่ในความแตกตา่างมันมีความเหมือนกันในตัวด้วยพอเราไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราจะเอาจาความแตกตา่างอย่างอย่างความแตกตา่างของมันในตัวคืออะไรมืดแตกต่างจากสว่างใช่ไหม เนี่ยความแตกต่างเข้ามาในตัวใช่ไหมมันเป็นภาวะที่มองไม่เห็นสว่างเป็นภาวะที่มองเห็นใช่ไหมเนี่ยเรื่องภาวะที่มันแตกต่างากันในตัวใช่ไหมแต่ในภาวะที่แตกต่างในตัวนี้มีภาวะเหมือนกันในตัวเหมือนกันยังไงเชื่อใจใช่เนี่ยถ้าเราเข้าใจโอ้นี่คือสภาวะเข้ามาแั้วแหละเ ป, เป็นเป็นอย่างนั้นแหละหายดิ้นหครอย่างนั้นแหละ เราเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุกบเราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะนี่คือภาวะข้ามาเนี่ยที่มีเหตุปัจจัยให้มืดี่เหตุัจจัให้สว่างทีเหตุปัจจัยให้โกรธที่เหตุปัจจัยให้ดีใจทีเหตุปัจจัยให้สบายใจอย่างส่มุษยเนี้ยก็สร้างเหตุปัจจัยให้สบายใจใช่ไหมเราก็เลยเหตุปัจจัยในความสบายใจขึ้นมาใช่ไหมถ้าเดีเหตุปัจจัยกับความสบายใจก็หายไปใช่ไหมอ่าเรสร้างเหตุปัจจัยที่มันโกรธขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราก็นในโกรธขึ้นมาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเหตุปัจจัยควาามโกก็ยไปใ่น เป็นย่เเี้รามีแต่นาทีวัดทํำยังไงเราจะรู้ให้เข้าทันเหตุปัจจัยคงมีที่ได้เพราะการรู้เท่าทานเหตุปัจจัยเราเนี้ยทําให้เราทันใจเราเต่๋ยวถ้าเราไม่รู้ให้เข้าทันเหตุปัจจัยนี้เราจะหลงใจเราน่าตระหนกข้ามาไเลยนะใจนี้มันมันมันมันมันอย่างร่างกายเราเนี้ยเวลาร้องเนยมันรู้วิธีเนะที่ทําให้เยินเห็นไหม เวลาเจ็บเวลาปวดมันรู้จะทําวิธีหายเวลาหิวมันก็จะรู้ทํำวิธีอิ่มใช่ไหมเวลาเหนื่อยเวลาล้ามันก็จะรู้จักวิธีพักร่างกายมันรู้ข้างมันนะเวลามันถืออะไรหนักๆมัน ก, ก็จะรู้จักวิธีปล่อยใช่ว่าแต่ใจเราเป็นอย่างนั้นไห <c oughs> ใจเราไอ้ใจเราที่ตรงกันข้ามเลยมันมันงขข่้นขนาดไหนอ่ะใช่ไเราถืออะไรมานหนักๆเนี่ย เรารู้เลยว่ามันหนักแล้วนะไม่ไหวแล้วนะแล้วก็รู้จักปล่อยด้างกายก็สบายใช่ไหมเวแบบลาหิวโอจะไปหาข้ า, าวแลว้กินนะใช่ไหมเราก็ไปห า, หาเวลาหนาวก็รู้จักวิธีหาเสื้อผ้ามาใส่เวลาร้อาหนารู้จักหาอุปนรณหาอุทีรห้องแอร์ให้มัอยู่ใช่ไหมเวลาไม่สบา ย, ก, า ย, บายบาาก็รู้จักวิธีพัฒนาเวลาเจ็บถ่ายก็รักอุรณก็รู้จักวิธีไปไปหาที่ใส่ที่ห่ายใช่แต่เวลาใจมันปวดทําไมไม่รู้จักวิธีออก มันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ใจมันเึงเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนละเลยกันสอนสอนมันรู้จักมันรู้จักแต่ร่างกายทท่านั้นเองนะก็เลยเป็นปัญหาไงปัญหาทางกายนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่เราคิดดูที่เวลาเราคิดมาก่ากทำไมไม่เลิกคิดเวลาเราโูนเขาแล้วทำไมมันไม่อยู่้าที่างทีคนคนนั้นไม่ได้อยู่ต่อหน้าเรานะ เรารับไปแล้วแล้วก็ยังโกรธอยู่พอวันไปนั่งกินอาหารที่ร้านที่วัดไหนนะแต่้วสวนสัตว์แถท้องกลามหลวงไปรา้านท่าแล้นั่งกินอยู่แล้ว ม, มีคนมาซื้อแล้วกๆตลกเฮ้ยมีมีคนมาซื้อเบียร์ซื้อเบียร์ปวดหนึ่งนะแล้วนั่งเสร็จแล้วปกติก็ขายเบียร์ใช่ไหมแต่คนซื้อเนี่ยมันเอาถุง ใส่เบียร์นะแล้วก็ไปต้มแข็งไปใส่ตั้งแต่ต้มแข็งไปใส่เพื่อจะแช่เีให้มันเยใช่ไหมแล้วมันก็จากไปโดยใจใจเงินแค่ค่าเบียร์นี่เจ้าของร้านมามาสักห้าหกคนเนะี่ยมันไม่พอใจไม่พอใจคนเนี้ยเนี่ยมันมาทำอย่างเนี้ยบ่อยๆหลายครั้งนะวันหลังต้องคิดค่ามันหายแต่เบียรนะไม่ไิ้ขายต้าแข็งแล้วต้องคิดค่าต้ําแข็งเพิ่ม แล้วก็โกรแล้วก็ด่ากันเละแล้วเราก็ต่างฟังอา่าวเดี๋ยวจบไปชาวบานหนึ่งทำนู่นทํานี่เยอกคนหนึ่งเริ่มเรื่อ ง, อ ง, อ ง, อง 3, 4, นึนอีกอีกสามสี่คนก็ร่วมอีกมันเกือบสิบครั้งน่ะแล้วที่เหตุการณ์เมันเราแก่ไขได้ไม่ได้แล้วแต่เอาเหตุการณ์เนี่ยก็ใจายไม่รู้จักปล่อยสั้งสิ่งนั้นมาไปแล้วก็ยังไม่ให้มันไปอีกอานตะวันั้นตลกอะไรก็อย่างเแล้วแล้ว ชีวิตที่เอ้าเงินทองที่ได้มาแล้วไม่รู้จักว่าเราอาจจะเสียลูกค้ารูปคนที่นั่งฟังอยู่โอ้ไม่ไหวเลยเขาก็จะไม่คิดเรื่องนี้เหมือนกัแล้วตัวเองก็แย่เหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยกายไม่พอเหนื่อยใจอีกแถมไอ้คนนั้นโกรธไปว่ามันไปมันก็ไม่อยู่ตรงนั้นนะต้องไปไหนแล้วเนาะแต่มางท่งฟังดีจริงๆเกิดได้กี่ครั้หนึ่งนับนับจะหายไป ขายของเยอะกว่าสองคนไหนเรื่องเปนไรสามสี่คนก็งล่งหัวโอ้โหมันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยชีวิตแต่ละคนน่ะถ น, นัดเกินเกินนะถนัดในการสร้างกับรูปสร้างเหตุปัจจัยก็จะสร้างอับกุศลให้จิตเห็นไหมไม่ถ น, น, นัดเลยยินสร้างกุศลให้เจิตอากุศลเนี่ยคิดโกรธคิดเกลียดคิดรักคิดชั่งคิดโลกเห็นไหะถนัดสร้างเหตุไปัจจให้อกุศลและิตเกิดกันเยอะเห็นไหมแล้วจิตจะเป็นบุญุกันป็นบา ปกติธรรมราบก็มาเกิดที่นแต่ทำไมสร้งผู้สนที่เกิดขึ้นเช่นไหวพะทำบุญให้ทางรักษาศีลบริจาคทำไมไม่ค่คิดกันเลยน้อยที่สุดใช่ไหมสังเกตดูเพราะว่าอะไรสื่อแวดล้องสิงแวดล้อมักกระตุ้นแต่อภิสุทธทั้งนั้นเลยรอบรอบตัวเรามันเข้าถึงง่ายมากครับเพราะว่าตอนนี้ตัวอินเทอร์เน็ตกับไลน์ฮะฉะนั้นเลิกเล่กั พอมีคนโพสต์คลิปใน Facebook ว่าคนทำกิจก็จะมีคนไปคอมเมนต์ด่าแล้วก็มีคนมาต่อยเป็นร้อยเภายในภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนีจะกันเป็นล้านใช่ไหมแต่พาคนทำดีปุ๊บเนี่ยมีผิดปกติเนี่ยคือคือเราเราต้องเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเขามีแต่การสร้างควาผเปสนให้แก่เราถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเราอดไมได้ จงเสริมต้นนึงแล้วเราก็ต้องมีกำลังต้านทานการต้านทานคืออะไรทาให้ใจมันฉลาดนะให้ใจฉลาดเหมือนกายเนี่ยพอใจแล้วล่ะครับใจฉลาดทําไงครับให้ใจมันฉลาดเหมือนกายนี่เราอย่างเดียวรแเลยนี่แหละคือเหตุผลล่ะที่เราจะคุยกันเนี่ยที่เรื่องเรื่องนี้คือเหตผลจะคุยกันเพราะว่าอัตมาไม่ผ่วหรอกร่างกาย ถึงจะห่วงยังไงยังไงก็สร้างมันก็แค่ตางใช่ไหแต่จิตใจนี่เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆเพราะว่ามันมันสร้างเรื่องสร้างเราให้เราเนี่ยทุกซับทุกซ้อนทุกยากทุกเงินปัญหาจะสร้างเรื่องซับซ้อนให้เรามึ้นต้องให้มันตื่นให้มันตื่นมันหลับไหลนานๆแล้วต้องขยายามลุกให้เขาตื่น ตื่นขึ้นมารู้ไม่ใช่หลับหลงตื่นขึ้นมารู้ตามความเป็นจริงที่สมองบอกไนงะเออโกรธก็คือโกรธนะชอบก็คือชอบนะอยากก็คืออยากนะไม่ใช่เรานะตื่นข้มารู้ต้องหันกลุดสลดลความรู้สึกตัวที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะแต่ทุกคนไม่ค่อยจะจุกมัน นั่งอยู่ปุ๊บก็ไม่ค่อยรู้รู้แค่ว่านั่นงเสร็จแล้วก็หลับท่านิจตาหลับท่านิจตาตื่นอยู่เราต้องขยันขยันเรียนรู้ร่างกายเรียนรู้ความรู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นกับเรารอบๆตัวทีละขณะทีละขณะทีละขะที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่มันมันเกิดขึ้นมาให้เราเรารู้ทีละขณะทุกอย่างเหมือนตอนเนี้ เหตุปัจจัยคือเราได้ยินเสียงจากการพูดใช่ไหมมันมีเหตุปัจจัยอาตมามาใช่ไหมและอาตมาเข้ามาคุยใช่ไหมมันจะมีการพูดใช่ไหมแล้วมันจะมีเสียงมากระทบใช่ไหมใช่ป่ะแล้วก็จะมีความคิดใช่ไห ม, <laughs> ไม เ, เดกเล็กในขณะหนึ่งเนี่ยถ้าเราฟังดีดีปุหนึ่งถ้าเราฟังฟังให้มันตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นกัน การต้นการรับรู้มันเป็นระคันที่ระคันเสียงแต่พอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจแค่ความหมายของเสียงแต่ไม่เคยรับรู้เลยเสียงนี่แค่คลื่มมนมากระพวกระดาษกระพดกระดับไปไม่ใช่ตีความหมายอะไรใช่ไหมมันแค่กระพดกรดาษใสกระพดกรดาษไปแล้วสังเกตดูทีเราฟังเสียงที่เสียงที่เราไม่เข้าใจเน่ยเราจะความงแต่เสียง ทีจจเเนะีเราไม่เข้าใจความหมายแล้วเนีก็จะฟังแต่เสียงเสียงที่เฉยเลยเสียงที่เสียงนี้เหมือนกับคนจีนบอกว่าเราเราเรียนรู้ภาษา จ, จาาีนดึงก็จะว่าถึงก็จะด่าที่ก็จะทําไงสังเกตแต่ก็คือแย่เสียงมาสัามผัสแล้วก็ทําไมเราไม่เรียนรู้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่มันเกิดแล้วก็สลายตัวเกิดแล้วสลายตัวให้ให้ไปบ่อยๆนี่ก็เป็นการตกตกให้ตัวเองตึงตึงแ ร, รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ เขาเป็นแค่สภาวะขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองตื่นตรงนี้ยมันจะทําให้เราใคอยากกระตุ้นถบเตือนให้ตื่นเรื่อยตื่นเรื่อยๆื่นเรื่ๆเมื่อเรานั่งอยู่เนี้ในการนั่งครั้งหนึ่งพุ๊บอดีการกัะพริตาบ้างการหายใจบ้างใช่ไหมการคืดน้ำลายบ้างใช่ไหมการขยับแข่งขยับขาการขมวดหัวบ้างดูสิทําไมเราไม่คอยคอยากรู้เพอาะเรเวลาเราทำแล้วรู้เข้าไปบ่อยรู้เข้าไปบ่อยไม่ใช่รู้ไปหันหน้า แล้วประเดตัวฉันไปไหนไม่รู้ก็อยู so <sighs> ่กับความคิดต่ออีกการกระตุ้นของเขาให้เขารู้ที่ลักษณะบ่อยๆเป็นการไปสกิบอย่าหลับเยอะอย่าหลับเยอะอย่าหลับเยอะอย่าเผลอเลยนะอย่าเผลอนะที่สกัดสกิบให้เข้าไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วพอเขาสกิบบ่อยๆพวกแค่เขาตื่นขึ้นมาทุกครั้รู้อะไรเกิดขึ้นกับเขาก็จิตเรามันหลับพริงไม่รู้ว่าเวลาโกรกเนี่ยมันไม่ใช่จิตเนีมันหนักมันร้อน เหมือนไฟเวลาไหม้ที่มือปุ๊บเนี่ยไม่ต้องบอกนะให้มือทํำยังไงไม่ต้องสอนเลยนะให้มือทํำยังไงเพราะมือเขารู้ไงร่างกายเขารู้ว่าว่าอันนี้อันตรายแล้วเขาจะสลัดทันทีแต่จิตใจเขาหลับไปสกิลเขาตื่นสิเขาก็ตื่นรู้นี่อันตรายนะเขาจะสลัดตัวทันทีสลัดตัวทันทีสลัดตัวทันทีความที่ทั้งหลายทั้งปวมเขาอันตรายนะ ทีก็ตามเชื่อก็ตามเขาอันตรายเขาแค่เป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้คืออันตราย้าเรารู้พุกเราจะสลับตัวเอ็นตัวเด้งออกมาสิ่งนี้อันตรายเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่เราไม่เข้าไปยุ่งการปลุกให้เขาตื่นอันนี้คิดนะพอรู้ปุ๊บแล้วเราไปทำอะไรเข้าไปยุ่งพฤติรกรรมที่จะไหลต่อไหลต่อในการเส ก, กิจเข้าไปบ่อยขนาดหนที่เราหายใจ เรารู้ว่าเราหายใจเน father, yes right. ี s. <S ่ยรู naden, so ้บ่อยๆหายใจเข้าหายใจออกที Ты ่ละขนาดเล่นๆไปเรื่อยๆกับพิษชาบ้างรู้บ่อยๆอย่างเนี้เด็กเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละครั้งตอนนี้ก็ไดนั่งเล่ยๆแต่ดูกับพิษชาเล่นๆก็ได้แต่าบอกในขณะที่เรานั่งเหมือนกับเราสวดมนต์ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งมันจะจบถ้าเราสอนแทรกความรู้สึกก้อยสกิรนให้เขาตื่น้วยรู้วันจบไปบ้างนึ่งแน่นอน วักหนึ่งแล้วนะวักหนึ่งแล้วนะวักหนึ่งแล้วนะวักหนึ่งแล้วน ะ, วนวนะไม่ใช่รู้รว่าสวดมนต์ปับ๊บหันสวดมนต์อยู่แต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไม่มีการที่จะไปรู้ทีละขณะในการสวดมนต์เลยนี่แหละก็จะมาบางทีเวลาตั้งใจไปดูแล้วมันกลายเป็นแทะแสงแล้วลวงหายใจมันจะเปลี่ยนหรือการกระพิบตามันก็นจะกลายเป็นกระพิบผีขึ้น เวลาเราไปตั้งใจดูอืมเพราะเรามันมีสองอย่างที่บอกตั้งใจเนี่ยคือตั้งใจรับรู้กับตั้งใจทําให้รู้แอนถ้าเราพยายามตั้งใจกลับตั้งใจทำให้รู้ารายายา ห, รหายใจเข้าหายใจออกอยู่สบายๆปุ๊บพอตั้งใจจะรู้ลมหายใจปุกมันมันเข้ามาัออกมั่งหยุดตัดขาดเกินเนี่ยตั้งใจทําให้รู้อันนี้แหละเขาเรียกว่าแทรกแซง แต่ตั้งใจรับรู้อ่ะมันหายใจสบายๆแล้วก็รับรู้ไปตามนั้นไายใจเข้ายาวก็ได้สั้นก็ได้ตามที่มันเป็น้ตั้งใจรับรู้ตามที่มันเป็นตั้งใจทำให้รู้อันนี้ก็เรียกว่าแทรกแทกถ้าถ้าเราไปแทรกแทงกเราจะอ้างจิตใหม่ยังไงฮะให้มันเป็นธรรมชาติเลือกตรงนั้น แล้วลองดูว่าเวลาเราเดินเล่นๆแล้วลองดูที่เลิกตรงนั้นทิ้งไปก่อนแล้วก็คือลืมไปเลยอ่ไม่ต้องไปสนใจแล้วเราเราลองเดินเล่นๆเดินอะไรเล่นๆแล้วสังเกตันต่มาจะมาบอกนะเดินๆแล้วสั่งใจเดินๆมคิดแล้วเลิกเนี้ยเอาไปทำละแล้วเราลองดูพอพอเราไปถามพวกเราสังเกตดูอ้าวทนายใจปกติเป็นอย่างนี้นี่มั้งตมามาเห็นชัดตอนไหนทนายใจตามปกติคือตอนนอน ตอนนอนเนี่ยเวลาเราตอนนอนใกล้จะหลับเนี่ยแล้วถ้าเราดูดีๆนะลมหายใจเราจะยาวามากๆเลยไม่สั้นแต่ตอนใช้ชีวิตประจำวันนี้ทําคิดมากกุ้งซ่าดูเครียดเลยใจหายใจสั้นทั้งเกลีๆเวลาเราโกรธใจหายใจสั้นหายใจสั้นมากเนละยใใจสั้นแล้วก็ฉี่ก็รีบฉนันในการในการที่จะซอยซอยชีวิตให้มันสกิบให้มันตื่นทีท ปัจเจกสำคัญเพราะว่าถ้ามันตื่นตัวนี้มันตื่นมาทีทีบ่อยๆมันจะทําให้การรู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาจิตจะเริ่มฉลาดมันจะฉลาดเลยให้ก็ตื่นทีทีบ่อยๆเขาเป็นนัก็ตางให้ก็ตื่นมาทีทีบ่อยๆทีบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆยู้ตัวบ่ยรู้ตัวแบบไหนก็ได้จัดใจครับ ตัวอย่างนะครับเวลาเดินเดินจงกรมอย่างเงี้ย เ, เ, เราเรารู้ที่ที่เดินนะครับอแต่ผมเคยได้ยินพราอาจารย์สอนผมมาว่าเรามีครูอีกหลายตัวเลยเกนนินนะครับอเช่นตาเช่นหูเช่น ท, ที่ที่ที่กระจาย์ไปสอ น, นครับออตอนนี้ผมเดินไปแล้วเนี่ยผมรู้ว่าเท้าเดินนะครับเดี๋วเาเราไป มีครูอื่นเข้ามาเราจะลืมตัวเนี้ยมันจะมีผลอะไรนะี่ยมีผลอะไรไหมคือเราเหมือนเหมือน <ๆ S 2> เข้าใจนะครับคือเราเรามั่นใจอยู่ตรงเราเราเราตั้งมั่นตรงเดินอยูเนี่ยแต่พอมีครูอื่นเช่นแสงเช่นสีเสีงเยงอะไรเข้ามากระทบเนี่ยครับเราก็จะลืมตัวนี้ไปแต่ผมก็ไปได้ตัวน้นต่อเนี้ยตัวนี้มันจะมีอะไรไหมครับเป้าหมายเราต้องการที่ตรงไหน ครงรู้ครับผมรู้ว่าผมรู้ว่ามีเสียงแต่ผมลืมตัวนี้นะครับอัออ่นคือคําตอบแล้วแต่แต่ผมยังไม่เข้าใจว่ามันมันเป็นอะไรยังไงครับสม er สมุติว่าเรารู้ที่เท้าอยู่รเราไม่ต้องการเท้าเราต้องการรู้เช่ไรู้รู้รู้ไม่ได้รู้ที่เท้าแต่เรารู้วา่าลาไหมอ่าทีใ น, ในขขี้กรณีเกิดมีเสียงดังขึ้นมาปั๊บเราไม่ได้ต้องการเอาการเอาเราไม่ต้องการเอาเสียงแต่เราก็อตัวรู้ทีไงไปรู้เสียงอไปรู้เสียงแต่รู้เท้านี่ผมก็ หายไปเลยเนี่ยพราเราไม่ได้เอาเท้านี่อแล้วเอาที่รู้เนี่ยเอาที่รู้ครับเราจะเอาที่เท้าเน่ยเราไม่ทำที่รู้อ่ะผมงงมาตั้งแต่ตอนที่โดนโบสถ์เก็บพระจารย์แล้วครับตรงนี้นะครับเรื่องไขของมันน่ะเราเอาที่ตูวรู้ไงที่ตัวรู้้อย่างเดียวเลยเนี่ยเราถ้าเราเข้าใจนี้ปุ๊บอ่ะอาจจะทั้งหมดเราสามารถปล่อยให้มันทำงานได้เต็มที่เพื่อเราจะกระตุกกันกระตุ้นให้มันรู้ขึ้นมาได้ชีวิตเราเอาที่ตัวรู้แต่ที่ ยมยากว่านั่นยมยากเอาที่เทา้าพอพยายามจะให้ยอยู่ที่เท้า<ล>ไม่ได้เอาที่รู้ใช่พอพอไปรู้ที่เสียงฟังกศศ็กรู้สึกว่าตัวเองถูกจากเท้าแน่หาหารู้ไหมว่าตัวเองกําลังอยู่กับตัวรู้ที่จะรู้ที่ใช่ครับตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าถูกหรือเปล่าเข้าใจไหมถ้าเอาที่รู้นะถูกแต่ถ้าเอาที่เท้าเอาที่เสียงผิดเพราะว่าการรู้จายรู้ความพอใจ คือมันมีความพอใจแทรกอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็แล้วก็เวทนาอะไรต่างๆเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันเรา<ด>เราเห็นพ ร, พร้อมกันเนี่ยบางทีมันก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาว่า<ม>ว่าจะยังไงดูความฟุ้งซ่านอะไรได้ไหมครั<ม>หรือว่าดูดูอารมณ์เวทนาที่เกิดขึ้นเ ร, ร, รื่องกำลังจะถามว่าอเวลาัเกิดกรพร้อมกันเนี่ยจเจ้าตรงไหน แล้วเปลี่ยนดูบางทีพอ่อครูอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูความชอบไม่ชอบด้วยเงี้ยครับในเวลาเดียวกันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวไหนเด่นชัดอาตรงนั้นตัวไหนเด่นชัดเอาตรงนั้ น, น, น, น, นถ้ามันเกิดขึ้นมาพบกั น, ก น, นเดินการรู้กายอยู่แล้วก็มีความคิดด้วยใช่ไหมแต่มันเร็วมากนะครับมันเร็วมากตัวไหนเด่นชัดเอาตัวนั้นอย่าไปพะวงตัวอื่นๆ อย่าเปพองค์หนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่ต้องไปพองค์นรกอันไหนเด่นชัดเอาอันนั้นอันอื่ไม่รู้ช่างต่างเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจนี้มูแบบพอเราเกิดงี้ก็เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่ามันจะมีเรื่องเดียวเพราะว่าเราจะรู้มันก็ตามไม่รู้มันก็ตามแต่ผลสุดท้ายสิ่งนั้นมันก็ดับใช่ไหมมันก็ดับนั้นเราจะรู้มันก็ตามไม่รู้มันก็ตาม มันก็จะดับแต่เราพยายามอยากรู้มันทุกอย่างนี่แหละในความอยากต่างหาที่มันซ่อนใช่ไ่มไอ่ทำไงฉันจะรู้มากๆฉันจะรู้เยอะๆคอยการคู่บ่อมันรู้แล้วพอดีก็พยายามจะสร้างรู้กับมันอีกแล้บอกแล้วอ่ะนั่นแต่งดันไขว่เวลามันมันอยากเพราะมันพอใจเรารู้พอใจเอาเวลาไปพอใจหรือบางทีเรากาลังคิดอยู่เราไม่รู้คิดแต่เราไม่สามารถรู้พอใจได้แล้วเขาก็ไปรู้เรื่องรู้คิดอีกพอทุกเรื่องเนี่ย มันจะเป็นล่ะมันเกิดแล้วก็ดับมันเหมือนกันหมดทุกอย่างบอกเรื่องต้นที่พูดเมื่อกี้น่ะมันเหมือนกันหมดไงในความแตกต่างมีความเหมือนกันอยู่ในตัวเองใช่ไหมแล้ตัวไหนก็ได้ที่เรารู้เราเราจะสบายแต่เรายายามจะจ้องนะบางคนจ้องอากฉันจะต้องรู้ทางตาให้ทางทางหูให้ทางคางจมูกให้ทางทางลิ้นให้ทางทางกายให้ทางทางใจให้ทางหรือว่าครั้งก็จะความอยากลุ้ทําใจอย่างเดินทักอยู่ไม่เอาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลใช่ไหมครับ มันเป็นไปของมันได้เมื่อมันมีความชานาญเข้ามาขึ้นๆๆมันอยู่ที่การฝึกไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเนี่ยถ้าเราฝึกถ้าเป็นไปไม่ได้คือไม่ฝึกท <c oughs> ี่ว่ารู้ตัวทั่วท้องคุณตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่เขารู้ตัวเขารู้ถ้าเขารู้อย่างเฉยๆก็จะเห็นการทํางานเพราะว่าการทํางา น, อนของอจตนะทังเขาทั้งหมดเนี่ยเขาทำของเขาโดยธรรมชาติอแล้วใช่ไหมแต่ว่าจิตเราอ่ะ ทำตัวไม่ทำตัวเหมือนใหญ่เงงงไม่อยู่ตรงกลางมันใสไปใส่มาถ้าจิตเราสร้างมั่นนะทุกอยากเขาจะรายงานเราตลอดแล้วแหละเออเวลามันเหมือนกับเราฟุ้งซ่านเหมซ้ำแต่นั่นคือความฟุ้งซ่านของมันไม่ใช่ของเราของมันไม่ใช่ของเราของเราไม่มีเหตุปัจจัยของมันทั้งนั้นเหตุปัจจัยของหูเหตุปัจจัยของตาเหตุปัจจัยของจมูกเหตุปัจจัยของกาเหตุปัจจัยของอารมณ์ขันใจทั้งนั้นเลยที่มันกาลังทําตัวกันอยู่เนี่ย มันกำลังพุ่งสานข้นาอยู่เนี่ยมันรับเข้ามาผ่านไปรับเข้ามาผ่านไปรับเข้ามาผ่านไปรับเข้ามาผ่านไปแต่เราอะไปรั้งมันไว้เพรเราไม่ทำหน้าที่ของเราเองเราไม่ทําตัวหน้าที่เลยคือปลุกตัวเองให้ตื่นที่นมาว่าอะไรกาลังเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ยากมันไม่ต้องไปพะวงถึงเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องไปพะวงถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงแข่ก็รับรู้แค่เรื่องปัจจุบันแล้่ต้องทำอะไรเรื่องแค่รับรู้เลยปัจจุบันนี้ รับรู้มันเกิดแล้วมันก็หาเหตุผลมาด้วยเราวางกอดมันให้คนเอ๊มันเกิดปราทับอารมมากเลยด้านอะไรก็นินทาฟังอะไก็ได้อะไรงานรึเนี่ยถ้ารับรู้มันและเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกอ๋อเนี่ยพอเห็นแล้วนะที่เกิดเราไม่พอใจนะแล้วมันมีเกิดความคิดอย่างนี้นะแล้วก็เกิดความอยากให้มันหายอย่างนี้นะ แต่มันไม่หายสักีอ่ะมันไม่หายสักททั้งที่ไอ้ที่สิ่งที่มันกระทบแล้นหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่เขาก็สร้างสร้างภาพซอสพบขึ้นมาใหม่อีกสร้างภาพเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเรียนรู้ตามหลังเรียนรู้ตามหลังทุกคนบางทีจะจะคอยจเรียนรู้ตามหลังข้อกับตกอันนี้นะจึงเกิดความคิดอย่างนี้นะที่เกิดความรู้สึกชอบอย่างนี้นะแล้ะจะเกิดความหายไปอย่างนี้นะเนี่ยก็เรียนรู้กระทบตามหลัง บานนี้นั่นเดี๋ยวเร็วเร็วอยู่กับพิษตามใช่ไหมธรรมดาครับท่าถ้าเรียนรู้ที่หลังนี้ยังมีประโยชน์ะครับนีก็ยังมีอยู่ช้าออ่ามีอยู่แต่ถ้าวิ่เข้าเส้นชัยเขาวิ่ได้ที่โรครับอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันจะเป็นภาระไงภาระที่แบบเรื่องต่อไปที่จะเข้ามาอีกเนี่ยเราจะไม่ทันเลยก็ไม่ทันเลยแหละ แล้วคนสุดท้ายล้วก็ติดอยู่กับอดีตนาคตโง่แต่จะไปแก้ทำไมไมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ไทั้งที่มันมันหายไปแล้วก็ยังเอามาันมาแก้อีกมันดับไปแล้วก็ยังขุดมาแก้อีกเหมือนกับคนขายเหมือนกับคนขายเบียร์แต่เขาเอาเติมน้แข็งก็แหละวันหนึ่งมันจะเอาจะไม่รู้มันจะเลิกไมไใช <c oughs> ่ะเรื่องใหม่เอะงเนี่ เราเราก็ไม่ทันเรื่องที่มันมันมันมาแล้วก็หายไปเราไม่ทันเ่องนี้เราเราไม่ทันทุกจุดเนี่ยเนมี่ยขณาดการฟังอยู่เนี่ยก็จะมีเสียงอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะเนี่ยเสียงนกร้องตรงนีเีนมาพูดตรนีถ้าความคิดเข้าใจไม่เข้าใจจะมีความชอบใจไม่เฉยก็มีอีกเยอะแยะเห็นไหไม่รูเดแล้วเราก็จะไปเอาเรื่องนั้นมาทาเรื่องนัแล้วเรื่องอื่นอก็ไม่ทำไม่ได้ก็เรียกว่าเลยจิตเลยละอารมณ์ไม่สิ้น เขาฝึกจิตเพื่อให้รู้จักไม่ทีละอารมณ์นะเนี่ยลำ้างสุกจิตให้รู้จักไมธีแยกตัวเองออกจากอารมณ์อารมณ์เป็นอารมณ์จิตเป็นจิตเราเลยฝึกจิตละอารมณ์ให้เส็จเนี่ยก็ความคิดจะเป็นตัวเชื่อมจิตกับอารมณ์เข้าันความคิดให้จะเป็นตัวสร้สางสร้สางสร้างมาอยาสาร้างเรื่อ ง, องหลอกให้เราให้ออกตัวรู้กับตัวอารมณ์เป็ น, นอนเรหยดเลย แต่ถ้าเราเห็นมันเหนเอาเปจริงขึ้นมาน่ะมันแค่มันแค่ขนัดมือเหมือนเราเราอยู่ตรงเนี้ยกับกมามันเราอยู่ยืนอยู่หกแย่หกแย่ไฟแดงหรือยือยู่งเวียนใหญ่ก็ได้เรามีหกช่องทางจิตจะเข้ามาเวียนใช่ไหมเวียนไหมจิตมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วมันจะไนั่นผ่านไปวงวีนใหญ่เนี่ยมันเียแล้วก็มีช่องแยกเข้าไปช่องแยกเข้าไปตาม ตามร่องตามรอยของรถแน่ะชั้นใดอยู่เหมือนกันแต่จิตเราเนะ่ะมันไม่ทําตัวอยู่ที่วงเวียนใหญ่มันกระโดดขึ้นรถไปตามซอยต่างๆถ้าหกซอยอ่ะไอซอยนี่มากูก็วิ่งไปซอยนี้มาเราออกไปซอยนี้มาเราก็ไปผลสุดท้ายก็ลืมตัวเองว่าอยู่ตรงไหนมวนไปแต่เรทุกแต่ซอยไปไปจนสุดทางแนละ้วผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่วงเวียนใหญ่แต่มันต้องมีเวลาที่เรากลับมาทบทวนบ้าง อ, อ๋อเมื่อกี้โกรธไปเูื่ี้เออไป มันจะมีโมเมนต์ช่วงหนึ่งที่ที่เป็นชิดนะฮะแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับ อ, อย่างนั้นก็รทำความเข้าใจการทาําความเข้าใจของมันเนี่ยมีสองลักษนณะคิดสอนให้เข้าใจกับประสบการณ์จริงและเข้าใจแต่บางรัสองประสบการณ์จริงและเข้าใจแต่บางช่วงบางเวลาคุณจะคิดสอนให้มันเข้าใจก็ได้แต่คุณเยอะเอาตัว น, นั้นเป็นสาระก็เอาตัว น, นี้เป็นสาระ ตัวลงมือกระทำในปัจจุบันแล้วเข้าใจกับเหตุการณ์เนี้ยเราจะช่วยได้ทันเวลาคิดแล้วเข้าใจไหมว่าไปดึงเรื่องตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นมาเข้าใจแล้วเข้าใจกับที่บางทีสร้างตัวตนขึ้นมาอีกก็ตัวเองเก่งหรือบางทีสร้างตัวตนขึ้มีกก็ตัวเองแย่เมืนไม่แน่นะถ้าที่ภาวะของเก่งหรือแย่เนี้ยแค่ภาวะขณะเดียวและติตัวไอ้ตัวคิดสร้างความเข้าใจกับปฏิบัติเข้าใจเนี้ยมีต่างกันคิดเข้าใจกับรู้เข้าใจ คน ล, ละอย่างกันแต่น้ำมาใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อย่าไปใช้บ่อยเพราะเราใช้เราเคยชินแล้วแล้วเราก็เห็นผลเราอยู่แล้วครันเนี้ยเราใช้แบบเนี้ยแล้วจิตเราวางไม่ได้กินเราละไม่ได้กินเราเลิกไม่ได้กินเราถอไม่ได้กินเราเป็นพิษระดับไม่ได้เพราะว่าจิตยังติดอยู่ในคิดเข้าไปไม่ใช่รู้เข้าไปคิดรู้กับรู้คิดพรอัลคื อ่ะอะไรประมาณนั้นแต่มาไม่ก็เทียบภาษาพวัน่แต่วาีเกี่ยวัเทียบเดี๋ยวเทียบทั่วไปเราแบบไหนสมมุ้ิไหนปรารถนาแก็เราขอู้ไหนรูปไหนนามไหนขันเดี๋ยวราขอบรูกั น, กนทีใช่ไหแต่สองอย่างแค่นั้นเองเรียกได้ว่าทำยังไงเงื่อนไขทำยังไงให้ใจเราตื่นอย่าให้ใจเราหลับอย่าให้ใจเราหล ใ, ใ, ให้ตื่นแค่น้ กะตุ <Es> <an> ้นบ่อยๆไหมถ้าอย่างกระตุ้นบ่อยๆนั่นคือเนี่ยตาก็รู้รู้แค่นั้นนะไม่ต้อรับจําโนนไม่ตํารับอะไรมันมัขยับตัวก็รู้มันเห็นต่างไปมันขยับใจเป็นคนรู้มันไปนี้เลยที่หลวงพ่อเขาสอนง่ายๆและถ้าเราจะรู้สึกว่าเราเข้าไปแทรกแซงคือเราทํารู้ขึ้นมาเดี๋ยวจะไดนใจถ้าเราทําการร่างรู้มาเนี่ยเราจะไม่แทรกแซงเลยเพราะมันทําให้เราและเรารู้เอง พยายามทำให้มันรู้ไงอออือพยายามทำแต่ในเต้นต้นก็ควรหักควรหักพราะอยู่ๆจะให้มันมาทําในี้ไม่ได้เพราะมั่เคยใช่ไหมแล้วก็ควรหักแต่หัดแล้วเนี่ยพอความเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทาํามันเอหักมันเรื่อยๆเหมือนเราอยากจะทําอาหารนี่ะถ้าเราไม่หักเลย่ะจะเป็นไหมใช่ไหมก็หักก่อน แต่อย่าไปยึดถือการหาดนั้นเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นแต่เรื่องความปรให้ช่ำนานเสร็จแล้วเราก็ทําอาหารได้โดยอัตโนมัติทีแรกก็ต้องตัวต้องต้องต้องต้องตวต้องวัดต้องดูขนาดต้องดูปริมาณว่อันนี้ก็สมนี่ใช่ไมองมันเป็นราชนาแล้วเป็นยังไงเป็นการทำยเตี๋ยวไม่เห็นมันก็ต้องตวงต้องพัดต้องจับจับจับจัใสเต้เต้นใส่น้ำตาลหยอดใส่อะไรรวดว่าเรียบร้อยเลยใช่ไหมแต่เราพยายาม ฉันจะต้องไปยจับกล้งหลบวัดอะไรอยู่เรื่อยนี่เขาเรว่าหัดไปเริกแต่ควรหัดเมื่อมีเวลาจะครั้ษในรูปแบบควรหักคุณไหนเคยทําอะไรควรหักหัดรู้กับลมหายใจทุตัวเองไปเน่ยควรหักหักแล้วก็มารู้ตามความจริงแต่ละขณะแต่ละอันที่กระทบควรหัดในรูปแบบแล้วก็ควรหัดรอบรูปแบบด้วยใช่ไหมหักฝึก ในห้องแต่ผมกัวเอาสิ่งที่ฝุ่ในห้องมาทํางานด้วยไม่ใช่ว่ายังไงฉันจะต้องเอามาทําในห้องในห้องเดี๋ยวห้องน้ำอยู่กันนอกห้อในห้องมันทําไม่ได้อะใช่ไหมเนยการรู้อะไรที่ลักขนามันจะกระตุ้นตัวรกระตุ้นสติสติที่ตึงห้องของเราเนี่ยมันจะขนัดในการรู้ที่ไปเจอครูบาอาจารย์กระติ้นกลางทุกทีหนึ่งใช่ไหมหลังจากขันหลังให้ครูบาอาจารย์แล้วก็เลื่อนจะไม่เป็นสอง ใช่เท่าไหร่ละผมด้วยครับถ้าเรารู้ตามความไม่จรงจิงก็ไม่เป็นไรแต่รู้แล้วเราพยายามพัฒนานตัวเองต่อไปอย่าไปรู้ตามความไมจริงแล้วโอ้ฉันไม่เอาละเพราะว่าอย่าลืมนะถ้าเราไม่ทำร่างกายเราเนี่ยมาจบแล้วจบเลยแต่จิตยังไม่จบแล้วไม่จบเลยถ้ามันยังยังมีอะไรอยู่เนี่ยมันมันเหมือนกับมาเสกอาไัย พบู่ต่อีกมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเห็นเหนือยกับโลกแบบนี้อีกนะการเกิดเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องตลกเลยเห็นนกที่มันเกิดมาแล้วมันแบกต่างกายเนี่ยพาระมันถ่ในการแสดงอาหารจัลรวันจัลรวันจัลรวันแล้วก็ต้องระวังศัตรูที่มันเป็นไฟยูกกนแล้วก็โรคภัยให้เจ็บขวกมันกสุดท้ายมันก็ต้องตายแล้วก็เห็ดเหนือเหมือนกัน เรามาเป er ah. ็นรูปแบนี้ไม่ว่าเราจะเอาจิตวิญญาณเราไปใส่อยู่ในวัตถุใดๆไปแทรกอยู่ในวัตถุใดๆก็ตามมันก็จะเป็นวัตถุนันก็เป็นภาระเก่ยวกับจิ้างนั่นเลยดูง่ายแค่อารมณ์เราไปจินแค่ไปใส่จะเป็นภาระหนักอื้นใช่ไหมแต่ดันปล่อยไม่เป็นงูหรือเปลก็ตรงยาวกัาจิตมันงู่ดใช่ไหมจิตมันงู้ดเพราะอะไรเราไม่เคยสอนมันเหมือนลูกเราเราไม่เคยสอน ลูกเด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วเดมีใครสอนมันมันก็รู้เรื่อยเพราะในในความเป็นจริงแล้วเมื่อไม่มีใครสอนปุ๊บแต่ในในความเป็นจริงแล้วมันมีธรรมชาติสอนมาอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติไฟต่ำจะด้วยไ ม, ม่จะธรรมชาติไฟสูงไม่ดัดสอนจิตจะรีดเรื่อยเพราจิตมันจะมีหน้าที่ไหลลงต่ำัหมือนน้ำที่ตกลงแล้วมันก็จะไหลลงต่ําเป็นอย่างนั้นจริงมันไม่ยอมไหลขึ้นสูงมันไม่ยอมไหลขึ้นสูงนะ้น ถ้าเราไม่สอนอารมณ์มันจะสอนจะบอกให้ถ้าเราไม่สอนมั น, นอารมณ์โลกโลกรธลมมันจะสอนจิตให้ไหลไปตามทางนี้เพราะทุกคนเนี่ยเด็กๆเกเิดขมาไม่เห็นมีใครสอนให้มันกโกรธมันก็โกรธเป็นละใช่ไหมมีมีใครสอนให้อยากก็อยากเป็นละใช่ไหมมีเด็กคนไหนเกิดมาปุ๊บเให้โกรธเลยไม่อยากเลยไม่มอใช่ไหมยังไม่นานมีครูสอนใครสอนนั่นเพราะอะไร อาสวะที่มันติดไปในภพอื่นๆมันกอดปูนอยู่มันกอดปูอยู่มันไม่ได้ชำระล้างนะถ้าถ้าเราไม่สอนให้เขาตื่นในการรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะหลับไปแล้วก็หลงมันเลยถึงเป็นภาวะที่ไม่ทําไม่ได้ไม่ทําไม่ได้ไม่ทํายังไม่ได้ไม่ใช่ไปทําแล้วก็ได้อะท่าต้องทําให้มันขึ้นมาก่อนเหมือนถ้าเรา ถ้าเราทวนขึ้นไปเรื่อยๆฝึกไม่ปล่อยมันไหลลงไปวนไปเรื่อยๆึ้นไปเรื่อยๆทวนขึ้ไปเรือยอไปถึงไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะยังไงมันก็สบายเรื่อวนน้าไปจนถึงจุดต้นน้าแต่ถ้าปล่อยไหลตามน้ำนี่โอ้โหมันลำบากจนายใช่ไหน้ายิ่งไหลลงไปเรื่อยๆกระทบโขดินกระทบสิ่งสุกโรกกระทบสิ่งแกเพื่อนพื่อนายแ้นั่กินไม่ได้ชวยจิตใจเรา คิดปล่อ ย, อยไหลตามอารมณ์มาแ ล, แล้วเราก็ใช้จิตใจที่นี้ให้จิตใจหาความสุขให้ตัองให้เป็นใี่เป็นแต่แต่ความอ๋อเลยเลยถูกมันเลยเลยเป็นเรื่องเนี่ยไม่สอนไม่ได้แล้วต้องสอนให้เป็นด้วยใช่ไปล่อยไม่ได้นะถ้าปล่อยปล่อยเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ เอาทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละเอาทั้งเหตุผลทั้งไม่มีเหตุผลนั่นแหละเขาเอาหมดเพราเขาไม่รู้จักตัวเขาเองเขาเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเองเขาเอามาเป็นตัวเขานะรู้จักไหมเหมือนเราเอาคนอื่นมาเป็นตัวเราเป็นไม่ได้นะเดยกข้างหน้าที่เห็นยงยี่เนี่ยจะเอาโยมเนี่ยมาเป็นตัวตัมมาได้ไหมเด็กตัมาเป็นตัวโยมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่จิตเขาได้อ่ะเขาเอาโมดมาเป็นตัวมันได้เนี่ย เอาเปลี่ยเราเป็นตัวมาได้เอาอยากมาเป็นตัวมาได้อ่ะแต่ไหมเนี่แหละเรีกผีสิงเรื่องบาางทีก็เทวดาสิงเทวดาสิงก็เป็นคนใจดีมีบุญมีคุณสมบัตมีเมตตาใช่ไหมอ่าเรีกผีสิงก็เป็นนางยักษ์นางวานไปเรื่อยๆเนี่ยพอหายไปก็เดี๋ยวก็เป็นผีเนี่ยคเนี้ท่านเหลือกับเขาเขาไม่ใช่ใจหรอกส่าเก็บดีๆเขาไม่ใช่ตัวใจหรอกเพราะว่า เทาก็เป็นตัวใจนะเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดถ้าโกรธเป็นใจนะจะโกรธตลอดเท่าพอใจเป็นใจแนะจะพอใจตลอดแต่พอใจเป็นแค่อารมณ์มาผ่านใ จ, จทีเฉดเขาเป็นแค่รถวิ่งมาสู่วงเวียนใหญ่ที่มีหกช่องทางแล้วก็วนอยู่ได้นั่นแหละแต่เด็ก็ออกไปมาแล้วก็ออกไปมาแล้วออกไปเนี่ยมันได้ขึ้นภาพใช่ไหมจิตอยูอย่กลางเรามี เข้ามาหกทางเป็นวงเวียนใหญ่ก็จะวนรอบเนึ่งแล้วออกทั้งนี้วนาม า, วน า, า, วน า, ตาตาโกวนออกาอปากเห็นไหมมาหูโกวนออกปากมาใจโกวนออกปากบางทีมาตามาหูมาใจก็วนออกกายที่วนออกมาสามอย่างไม่ไม่ไม่ไ ม, ไมกายไม่วาจาไม่ใจเขาจะมาวนวนเราออกวัฒกรรมออกมาสามอย่างเป็นทางกายาเป็นทางวาจาเป็นใจเฉันปลุกตัวเงให้ถึงได้ยังไขงขนาดเนี้ย นั่งอยู่แต่ละขณะนี่มีหายใจเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆนี่กัพปีกตารู้ไปเรื่อยๆและรู้ไม่ต้องไปเรืมันตอบด้วยแน่เลยครับไม่ต้องไปพัวพเรื่องมันหมายเพราะไม่จําเป็นไม่จับเป็นเลยถึงเรารู้ตามมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาจนจบมันก็จบถึงเราไม่รู้ว่าไม่รู้เหตุปัจจัยของมันจะเริ่มต้นจนจบมันก็จบแต่ถ้าเราไม่รู้เลย มันจะไม่จบมันจะเกิดซ้อนแต่ถ้าเรารู้ไปหมดเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องไ ป, ไปเป็อารายละเอียดมากเราต้องการแค่รู้แล้วนุกเมื่อกี้ถามว่าต้องรู้อันนั้นอันนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเวลาครูบาอาจารย์ทักหรือว่าไปสกท่านจะถามว่าเห็นอันนี้เปล่าเห็นความพอใจไหม <c oughs> เห็น <c oughs> ได้ยินเสียงลบไหมอะไรคือ เราก็คิดว่าเอ๊ยดูอันนี้อยู่แล้วต้องรู้อันนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับเอาในขณะนั้นไงเพราะว่าไปในขณะนั้นเพราะว่าถ้าเราถ้าเราปล่อยให้การรับรู้ทํางานนะ <c oughs> ก็จะทํางานได้ดีมากแต่ถ้าเราก็ไปทำงานนะมันจะได้ยังไงกันดูีห้าหกงานไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้การรับรู้ก็ทำงานเขาจะทํางานได้ดีมากคือคือเขาให้ก็ทำงานอิสระรู้อย่างอิสระรู้แบบ ถ้ารู้แบบนั้นบางทีเราเราทําอะไรเนาคือพวกเราบางทีนะเป็นส่งการบ้านยุคบ้านจะเราก็จะพยายามดีเดียวเดี๋ยวกลัวครัอาจารย์จะว่าเสียอ่ากลัอาจารย์จะไม่ได้ชมจะทําเพื่ออะไรทําพื่อเขาชมว่าหรือทำเพื่อต้องการที่เอาความจริงอ่ะเราเราต้องต้องต้องเรื่องนั้นเราต้องข้ามไปแล้ว แต่ท่านชี้เพื่อให้เราหัดสังเกตหรือแบบก็ท่านกระเสือนหนึ่งแต่เราสังเกตได้ก็คือสังเกตก็ได้แต่เราท่องนี้เราสังเกตไม่ได้เราก็ไม่ก็สังเกตไม่ได้ก็บอกสังเกตไม่ได้เปแค่นั้นเองแล้วก็จะพยายามทันทีแล้วการพยายามก็คือพยายามก็คือไม่ต้องพยายามไหวเฮ้ยนี่กันเป็นนิสัยโกรธหรือยังไม่ต้องพยายามอย่างนั้นพยายามคือเขามาเราก็รู้เขาไม่มาเราก็แบบไม่รู้แค่นั้นเองการพยายามก็ อาจารย์บอกว่าให้สังเกตุพอใจนะครูก็ไปสังเกตุเยอะเลยเนี่ยอย่างเช่นถ้าจันพอใจได้ยังว่าคือยังไม่พอใจทุกตัวแทนที่การเป็นการสังเกตการเป็นการกังวลกายเป็นการกังวลตีกการมีความอยากก็อีกการเ็ความพยายามตีกการเปความแทรกแซงติ๊กการมีความยึดมั่นตอีกการมีความต้องการติ๊กเพื่อจะเอาคํำตอบไปตอบอาจารย์ติ๊กมันก็เลยว่าทุกคนไปหมดเลยกล่อยไปรู้ได้กหรู้รู้ไม่ได้ต่อเนื่อไป เพราะตรงนี้ถ้าจิตเราจิตเราเองเปิดกว้างแล้วรู้เข้าใจว่าทุกอย่างเมือนกันหมดในความแตกต่างใช่ยอมรับความแตกต่างแล้วก็ต้องนี้ว่าไปความแตกต่างที่คล้ายคืองกันคือแค่สภาวะขนาดหนึ่งเท่านั้นเองขนาดหนึ่งของรถที่มัวิ่งวนวิ่งบนวงเวีนใหญ่แล้วก็ออกออกออกรู้ท่านทักษะทีนทันแล้วครับ ว่าถ้าจิตจะเข้าใจตรงนี้ว่าทุกอย่างคือกระดิ่งปุ๊บจิตจะโม้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นั่นก็ใช่แต่นั้นก็จะพยายามรู้เพราช่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้โดยรู้ไม่ต้องรู้เราปล่อยมันไปอย่างนั้นไม่ได้คือพยายามรู้แต่ไม่ใช่พยายามเอาก็าเข้าใจพยายามรู้แต่ไม่ใช่พยายาจะไปเอาสิ่งที่รู้เพราะสิ่งที่รู้น่ะเราเอาไม่ได้หรอกมันเป็นแค่ภาวะ เกิล้หายพระเราต้องการตัวนี้แหละตรงนี้นีละจะสอนให้จิตปล่อยอารมณ์แล้วต้องการแค่ตัวนี้ตัวที่พาสภาวะทางข้างไหนเราต้องการแค่เอาอารมณ์ไตลัคนี่เป็นพื้นฐานของวิปัสสนาอารมณ์ไตลัคนี่เป็นพื้นฐานของศาสนาใช่ไหมเราต้องการใค้อารมณ์เกิดแล้วก็สั้งอยู่แล้วหายไปสอนจิตให้มันเหเนใหมยบมัคือเป็นอย่างนี้อะไรก็เป็นอย่างนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำให้จิตเข้าใจพอจิตเข้าใจจริงๆปุ๊บมันจะปล่อย เขามันจะรู้หรือเปล่าเกิดและเกิดดับมันไม่เท่ยงเกิดแล้วมันพยายามถูกการพยายามให้มันดับเพื่อมันทุกข์เกิดแล้วไม่จำจะอยู่อย่างนั้นน่ะที่จะไม่ดับลงไปเนี่ยเพื่อมันทุกข์เหมือนเราพยายามเอาความสุขเกิดขึ้นมาเราพยายามสร้างความสุขให้มันมีตลอดตลอดน่ะมันทุกข์ไม่ใช่ความสุขนะหรือมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราพยายามเจ้าออกออกออกมันยังไม่ถึงเวลาจะออกมันก็เป็นความทุกข์อีก เนี่ย ค, ความฟุ้งเวลาเกิดขึ้นมาแล้วช่วงมันเกิดขึ้นมาแล้วจนกว่ามันจะดับเนี่ยช่วงนี้เป็นความฟุ้งมันจะเกิดหรือมันจะดับไปเจาะจงมันไม่ได้ที่บหน้าตาไอความรู้สึกสามตัวเ น, นี่ยไอจังทุกตาหน้าตางย่อภาษามาสู่ตาณเกิดมันก็ดับถ้าเข้าใจอย่างนี้ทุกอย่างนะอ๋อเขาเป็นของเขาอย่างนั้นไงเราอ่าปเป็นอย่างเขาเป็นงนี้ละกันแต่รู้เขาเป็นสรุปก็คือ เรื่องเรื่องพูดมาจากเรื่องเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นว่าเรื่องอะไรนะ เ, รเขาเป็นเขาอย่างนั้นแหละถามตั้งสองสามขัม้งเห็นไหมโกรธเข้าเป็นโกรธชอบเขาเป็นชอบแต่เราอย่าไปเป็นโกรธเป็นชอบเพราะโกรธเข้าเป็นโกรธและสภาวะทรรมไร้ร้ายเป็นอยู่เราก็มีหน้าที่ตุ้มตหายใจเข้าั้งหนึ่งแล้วก็รู้ สัญสิหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวจิตจะโล่อนออไปจิตจะโล่งเลยนะนั่นแหะแล้วพอโล่งปุ๊บันจะลืมเรื่องอยู่เลยนะัเดี๋ยวแล้วเนี้ยให้เป็นไปก่อนสิแล้วเดิ๋มันจะมีอะไรเยอะเลยแต่ไม่ต้องไปอยากนะหายใจได้่องไรเฉยๆเนี่ยให กับพิจารณตัวเองนั่งอยู่นี่แต่ละครั้งลมมากระพบเข้ามาเสียงกระพบเข้ามาแล้วดับไปรู้กันเนี่ใส่รู้ตามที่เขาเป็นเสียงเป็นเสียงภาพเป็นภาพแต่ภาพเจ็บเป็นเจ็บอะไรก็เป็นทั้งหมดทุกอย่างร้อนเป็นร้อนเย็เป็นเย็นถ้าเราเข้าใจจะสบายโอเคไหมพูดสรุปแล้วเอาไปทําได้ไหมเนี่ยได้ยังไงได้ถึกไตา คือในแต่ลเวานก็พยายามรรูู้แต่ว่าก็มีบ้างคะี่นงแก็อายงี่ไม่รู้เรื่องเรื่องแค่เรื่องกินยาของแบบนี้ค่ะบางทีไม่ออกหรือว่าไ้ิไปแล้วเยเออทาี้ไบ่อย่เป็นอย่างนั้นแหละยก่ะเป็นอย่างนั้นแหละตนันก็โอ้ดจแล้วมันเหมือนเป็นคนแอซเมอร์เ มันมันคือถ้ามันอยู่กับแค่นี้ปุ๊บกระบแลาวก็ผ่ายกระทบแล้วก็ผ่านใช่ไหมแต่มันมันได้ยืมตัวแต่มันลืมเรื่องราวที่ที่นัดหมายบางทีนัดหมายแล้วก็ลืมเรื่องราวเรอมาถวายก็แล้วกันจำได้ก็ได้ได้ก็แล้วไปแต่มันไม่ลืมตัวแต่มันมลืมเรื่องราวแค่เรื่อบางเรื่องบางราวที่มันสาคัญเนี่ยก็ก็ลืมไปเลยนั่นแหลคนที่อยู่มันเด็กเล็กๆที่มันจะอยู่ที่ไหนก็ตามพอมันออกจากที่มีไปมันก็ลืมไปเลย ไม่มีอะไรกูหันเรอยู่กับวันนั่นแหละอยู่กับตัวเองไม่มีอะไรกูหันเราอยู่นี่รูปโง่พอพอไปแล้วอ้าวเราเยมาโมลึก เ, เหมือนนั้นนะเป็นขนาดนั้นเลย อ, อ้าวเราเคยมาเฮ้ยดึงแต่รางวันที่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่มีวันเกา่ามีแต่วันใหม่สำหรับเราเท่านั้นเองทิ้งเราทําด้วยนั้นแบบซ้ําๆก็ตามเห็นเป็นบางมิสึไม่ใช่วันเก่าแนตะ่เป็นวันใหม่ที่เราต้นทํานะ พท่องเพิเจอเพิ่มไปจับแล้วท so, ี hmm. ่บางเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรที่มันเราเคยไปเจอแล้วเราเรคือเพราะว่าไปเจอกับประจักษ์ต่างกันรู้ไปไปเจอนะฝันได้เห็นว่าไปที่นั่นไปที่นี่เรไปเจอแต่ไปประจักษ์แล้วพอไป อย่สถานที่ไ ห, หนนั้นจริงกินตุ๊บอ้าวนี่เราเคยมานั่นหรอนั่นไ ป, ปจับจับไปจับแจ้งความเปจริงว่าเราเราเคมาจะสัญญาเราที่เราเคยฝันไปมันมันห่อหน้าเนื้อไปเจอผันแล้วก็ไปจากฝันเนี้ยเพื่อไปเจอแต่ไปถึงสถานที่ทีไปจับ จ, จับแจง้จแจงตามความเ จ, จรจิจงมัน แ, แต่ไม่รี่มัมีการเวลามันจะไปเรื่องถ้าฝูกบ่อยๆก็จะไปเรื่องรู้อะไรผู้หน้ามันเป็นเรื่องธรรมด า, มาของมันเพราะมันไม่เหนื่อย ถ้าอยู่คืออยู่คือปัจจุบันที่ผิดมันสบายแล้วเดี๋ยวมันมันมีอะไรเข้ามาบอกเยอะแาะเรื่องราวที่อะไรต่างๆแต่บางคนก็ไม่มีก็ไ่ตเป็นอะไนี้ไม่ต้องไปสนใจนเรื่องพิสิทธิ์เรื่องที่สนใจที่สุดคือเรื่องทํายังไงให้ใจเราไม่ถุนทุกนี่คือปูนใจทําให้ใจยังไงให้ใจเราฉลาดหรือราคายร่างการฉลาดไม่ต้องสอนยังไงเลยใจมันง่โคตรไม่โกรธเขาแล้วเขาโกรธอยู่น่าแหลนเขาไปไหนเราต้องไปรู้เนี่ย แต่ใจเนี่ยเวลารู้อะไรร้อนก็มาทิ้งมาทิ้ิ้งรู้อะไรหนักมาิ้งมาทิ้มาิงมันใช่ง่ายถ้าทำใจให้มันรู้มันร่างกายรู้อารมณ์มันร้อนก็คืออย่าไปยุ่งเห็นไหมรู้ว่าอารมณ์มันอยากก็อย่าไปยุ่งเหไหมเพราะอันนี้มีปัญหาแล้วนะอย่าไปยุ่งอย่างเงี้ยักเข้าใจนะเราต้องพยายามเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่เวลาท่านเทศแล้ว มีอะไรมาแทรกแล้วทําคือท่านจะลืมไปเลยว่าท่านกำลังพูดอะไรอยู่อันนี้คือกรณีเดียวกันคล้ายๆกันเัยคือยาดับไปเลยคือคืออันนี้คือถ้ากรณเออมาแล้วก็ตั้งหัวข้อไม่ได้แต่พูดไปพูดมาก็เป็นหัวข้อเข้ามาเองถ้ามีคนถามปุ๊บก็จะมีเรื่องมาแทรกแทรกแทรกแทรกเราตั้งหัวข้อเข้ามาปุ๊บก็จะพูดอย่างนี้นะ แล้วข้อมูลมันจะไหลมาตามนั้นแต่คุมีนองแทรกเรื่องหน่งทำเอาปุ๊บมันเริ่มไปเรื่องหนึ่นี้แต่ถ้าคนฉลาดก็วกกลัมาเรื่องก็ดับไปเลยมันจะนึกออกไหมฮะเวลาที่เราจะไปย้อนกับครมันมันเป็นแบบยังไงน่ะนันนันเ็ยังไงแบบสัญญาอานิจจาที่ของไหมบ้านออกไหมในบ้านก็เขาอยู่ผลทุกขเข้าหมดเลย บางครั้งทไม่ออกได้บางครั้งทไม่ออกไมได้อ้าวขณะจะมาพูดพูดไปเป็หัวข้อเนี่ให้พูดซ้ำจะมาพูดได้ล้ว <c oughs> พูดพูดเหมือนเดิมไปเลยลนะไปไหนได้ไม่นู้ไม่มีหัวข้อนะทีนี้ฉะนั้นหัวข้อวันนี้คือสอนอย่างทําอย่างไรให้ใจฉลาดแบบกายอย่าพูดไปไปมาลงตรงนี้พิธีสอนให้ใจฉลาดจากให้ใจไม่ฉลาดคือ สกิตร้องไปบ่อยสกิตร้องไปบ่อยใช้ตัวปัจจุบันเนี้ยเป็นตัวสกิตร้องไปบ่อยสกิตร้องไปบ่อยขนาดเนี้ขนาดนี้ขนาดเนี้ขนาดนสกิจเขาไปบ่อยสกิตร้องไปบ่อยอะไรก็เกิดขึ้นกับกายอะไรกเกิดขึ้นกับใจรู้นะเดี๋ยววิญญาณไม่ไดคิดฉันรู้นะรู้อะไรไม่รู้เราจะรู้ยังไงเน <laughs> ให้รู้นะ <c oughs> รู้อะไรนั่ง <c oughs> ไม่รู้รู้ว่านั่งเจ็บขามมางไหมครับอ่ารู้แต่็จแล้วก็เปลี่ยน กายก็รู uh. <wär> ้นะเห็นไหมอย่างเงี้ยอ้าวแล้วสบายเยรู้ไหมอ่าเนี่ยอยากไปหลวงจริงไปแล้วครับอ่ากายเารู้หนักก็รู้เบารู้กายก็รู้เดี๋ยว่าคอยคอยจะเอาใจเนี่ยเพรารู้กายบ่อยๆเดี๋ยวจะทให้ใจมันฉลาดเพราะกายมันฉลาดอยู่แล้วเห็นไหกายนฉลาดอยู่แล้วแล้วทำรู้บ่อยๆเดี๋ยวจะเข้าไปรู้อารมณ์ทุกข์เขจะเป็นยังไเขารู้อารมณ์นี้ ไม่ดีขอพ่ออารมณไม่ด <being in> <lake> ีเอก็ปล่อยไปเขาก็จะรู้จักด้วหละเราเองเนี่ยไม่ใจก็สลาบนางกายครูมีดีอยู่แล้วไม่อครูตัวเองใส่นะเอามีปัญหาได้อีกหะเป็นไงว่าเรื่องไหะ ปัจจุบันคุณไม่เชื่อเห็คุณไปตรวจสอบได้เลยที่ว่ามันอะไรแล้วมันเกิดซ้ำๆๆปัจจุบันขณะนี้คุณไม่เชื่อเห็นคุณก็พยายามมารียรู้เหตุการณ์รับรู้เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ให้เราค่อยๆอาจจะรู้เหตุการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ขณะหนึน่งขณะหนึ่งเช่นจริงเท่าประหัตเรื่อยๆไปเออแค่มารู้รถนี้หายไปลิน่นนี้หายไปใช่ไหมฟางก็อ่อยหายไปแค่นี้ เราหนงอยู่เนี่ยเดี๋ยวลงมาการะพบบ้านอรพิบตาบ้านคือนั่นลายบ้านเนี่ยขนาดปัจจุบันเนี่ยที่เขาเขาเกิดโดยเราไม่ได้คิดเลยนิดเดียนี่คือถ้าตรงนี้มันขี้แข็งนะมันจะดูมันจะวัดผลได้เลยว่าห น, นึ่งเวลาเราเกิดทางใจทวกเน่ยมันจะสั้นมันจะสั้นมันจะสองความคิดเรื่องอดีตมันจะไม่เคยมีนไม่ีถึงดีก็ไม่ยากเพราะว่าเพราะว่า มาอยู่แบนี้แล้มันมีเรื่องให้รู้เยอะไงพอเยอะเพราะเยอะเยอะมาเข้าวุ๊บสดแตกยะไอ้ประสิทธิภาพในการทํางานของเขาเนี่ยเขามีประสิทธิภาพสูงจิตเแต่เราให้เขาทํางานน้อยเขาเลยไปหาเรื่องอื่นมาเล่นก็เลยไปหาเรื่องอดีตอนาคตมาเล่นเพราะเรื่องปัจจุบันมันมีเยอะแต่เราได้รู้น้อยเช่นบางทีเกิดตาหูจมูกลิ้นกาใจได้ยินเนี่ยนั่งขับรถไปเนี่ยทํากรรมฐานได้เลยทากรรมฐานยังไงเห็นรถมันผ่านบึ๊บ รู้รู้รู้รู้การเกิดการจับของรูปของสีที่ผ่านตาไปเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเรื่อยๆได้น่อย่างเงี้ยแล้วเราลองหัดเออเสียงเข้ามาปุ๊บที่มันมาเน่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปอย่างเงี้ยหรือเวลามันเจ็บถึงเวลามันมาคัดมาถุกหน้ากายวูหายไปวูบหายไปวูหายไปวูบหายไปอย่างเงี้ยบ่อยๆไม่ใช่นั่งแต่รู้ว่านั่ง รู้ว่านั่งแล้วก็บลืมไปเลยอันนี้แสดงในการรู้ว่านั่งอ่ะก่านจะเลิกนั่นอ่ะเราลองซอยเราลองรับรู้ที่ลักษณะที่มันนี้อะไรเสื่อมานเยอะเลยเนี่ยจุดจุดเนี้ยจุดจุดเนี้ยสำคัญเนี่ยแค่ขนาดเนี้ยพอเรารู้ก็ไปบ่อยอกับพิ่ตามคือนโยบายบางทีมันรู้เร่ซ้ำๆเลยมันไม่ค่อยรู้นะถ้าก็รู้แล้วจะไปรู้ได้อีกคือเขารู้แล้วเขาไม่รู้อยู่กับปัจจุบันเขารู้ว่าเขารู้แล้วคือรู้แล้ว รู้จักรู้แล้วไหมมันยังไงรู้แล้วรู้แล้วเป็นอดีตไปแล้วครับอะรู้แล้วกระจบไปแล้วแต่ครั้งใหม่ที่เขาทําเนี่ยเขาคิดว่าเขารู้แล้วไงมันเหมือนการนั่นแหละแทนที่เขาจะรับรู้ว่าไม่มีไม่มีหลอกมันมีแต่ยกไปครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวขนาดเนี้ยเป็นเคลื่อนไหวครั้งใหม่ไม่ใช่ครั้งเก่าหอมสดๆใย่ไหมครับใช่ถูกต้อง สดสดร้อนร้อนกินกิอชอบไม่สดอีเออ้าวชอบไปซื้ออาหารชอบของสดด้วยของแห้งแต่บางครั้งก็ต้องเอาของแห้งไมได้วยนะ <c oughs> อารมณ์เหมือนกันนนะถ้าเอาลมแห้งๆก็เอาลมทีไไ่เป็นฝ่ายผุ้สน่ะเอามาเรีเ้ยงกินให้มีกำลังนะเนี่ยตัวเนี้ยสคัญใหม่ๆสดๆให้กำลังเปลันมาก เช่นทาให้ใจมัาฉลาดโดยใช้ฐานขนาเนี้ของชีิตเป็นเครื่องมือแล้วก็เป้าหมายคือรู้สกิมให้เขารู้ยังไงก็ได้ที่เขากําลังเกิดขึ้นเพื่อเชิญเห็นเนี้ยดูไหมจะมาไปสังเกตดูแล้วดูดูดูดูคนยังไม่ค่อยเป็นสีเลยต้องเป็นคนอยู่แล้วนะบางเสียงก็แม้เสียงอะไรก็เป็นเสียงแต่เสียงคนยังเป็นเสียงคนอยู่ จึงก็รู้ว่าอมันยังยังวยังยังวางไร่บบอยกันเอยกไเรื่ยเรื่อยฝึกดีขึ้ น, นะฉะนั้นเรื่องคือทำให้ใจตลาดเหมือนกายนะโดยสาสัยประบวนการในการพัฒนาขอมทุกสิุ่กอย่างทีละขณะคงจบได้แล้วนะยัง ม, มีโอกาสเข้ามาคุยปรมจนาันก็อาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างนะถูกบ้าหผิดบ้าง เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างโยมก็เอาไปกรองเอาไปแล้วกันแต่มากต่มันก็หวานแผลไปนั่นแหละโยมจะได้อะไรนั่นแหล ะ, ละอะไรก็ตามพวกแต่ว่าขอให้ย้ำว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญสำคัญที่สุด ข, ของชีวิตเพราะว่ามันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะชั่วมันจะอยู่ที่ใรปัญหาทังหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจถ้าเราแก้ปัญหาภพในใจล้วได้เราก็สบายตลอชีวิตนี้ ขอให้ญยมทุหลายท่วนวมคมีความเจริญก้าวาในทางพุ้ในก็ทำในประสงค์ในเส้นทางของการศีในเส้นทางการรักษาศีเส้นทางการเจริญภาวนาและเส้นทางการประพฤัิปฏบคติปรพฤติธอรจันทร์ขอให้ทุกคนตรเข้าถึงยที่สุดของการฟนุ้กได้ในชาตินี้คือการทุกท่านทุกคนคือ ยิ่งถ้าเราไปแจกนั่นก็ฟังแล้วก็มาวันนั้นมาให